คำว่าเจริยังเนี่ยนะความว่าพึงเที่ยวไปทเที่ยวไปทั่วพลัดเปลี่ยนอิริยาบถประพฤติไปเป็นไปเยียวยาฉะนั้นเรียกว่าข้าพระองค์เนี่ยเป็นผู้สงบอยู่ในที่นี้แลสรุปว่าข้าพระข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐขอพระองค์ปโปรดก ร, รุณาตรัสสอนธรรมะอันสงัดที่ข้าพระองค์พึงรู้ได้ข้าพระองค์ไม่ขัดข้องเหมือนอาตาดเป็นผู้สงบอยู่ในที่นี้แลไม่อาศัยตันหาและทิฏฐิแล้วก็เที่ยวไป พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าดูก่อนโทตะกะเราจกบอกความสงบในธรรมะที่เราเห็นแล้วอันประจักษ์แก่ตนแก่ท่านที่บุคคลได้ทราบแล้วเป็นผู้มีสติเที่ยวไปพึงข้ามตันหาอันซ่านไปในอารมณ์ต่างๆได้ในโลกเนีนะคำว่าเราจกบอกความสงบก็คือจักประกาศซึ่งความสงบราคะโทสะโมหะ ความสงบความเข้าไปสงบความสงบวิเศษความดับความระงับความโกรธความผูกโกรธเนี่ยนะมันเป็นความสงบจริงก็สงบความโกรธสงบความผูกโกรธสงบความลบหลู่ความตีเสมอสงบความริษย่าความตรณีสงบความลวงความโอ้อวดสงบความหัวเดือความแข็งดีสงบความถือตัวความดูหมิ่น สงบความเมาความประมาทกิเลสทั้งปวงทุจริตทั้งปวงความกวนกวายความเร่าร้อนความเดือดร้อนอกุสลามิสังขารทั้งปวงท่าะะ น, นเราจะบอกความสงบแก่ท่านคือสงบอกุศลทุกชนิดแก่ท่านนะนะี่คำว่าทิฏฐิธรรมเมก็คือในธรรมะที่เราเห็นแล้วในธรรมะที่เรารู้แล้วเทียบเคียงพิจารณาปรากฏทําให้แจ่มแจ้งแล้วนี่นะ อะไรบ้่งที่พระองค์พิจารณาเทียบเคียงทําให้แจ่มแจ้งะนะก็คือสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ทำทั้งปวงเป็นอนัตตาปฏิจจสมุปบาทโดยอนุโลมปฏิจจสมุปบาทโดยปฏิโลมสามารถตรัสรู้อริยสัจละกิเลสได้โดยประการทั้งปวงตัวนี้ไม่นานนะได้ย้ายแน่ พราะคำว่าในธรรมที่พระองค์เห็นแล้วเนี่ยนะก็เห็นอริยสัจเห็นความสิ้นไปแห่งกิเลสอาสว ะ, นนะเห็นเหตุเกิดความดับอาสาธ า, าอาทีนวานิสรณะภาษายตนาหกอุปาทานขันห้ามหาภูตรูปสี่หรืออภินยยธรรมปริญยยธรรมเป็นต้นตลอดจนถึงว่า รู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาเพราะนั้นก็แปลว่าเราขอบอกธรรมะที่สงบในธรรมที่เราเห็นแล้วก็คือพระองค์เห็นอริยสัตย์นั้นแหละอีกอย่างหนึ่งเราจะบอกทุกในทุก์ที่เราเห็นแล้วเราจะบอกสมูทัยในสมูทัยที่เราเห็นแล้วเราจะบอกมรรคในมรรคที่เราเห็นแล้วเราจะบอกนิโรธในนิโรธที่เราเห็นแล้วแม้ด้วยเหตุอย่างนี้จึงชื่อว่าในธรรมที่เราเห็นแล้ว โดยสรุปก็คือพระองค์เห็นอริยสัจมันพระองค์ก็จะบอกอริยสัจที่พระองค์เห็นอีกอย่างหนึ่งเราจะบอกธรรมะอันบุคคลผู้บรรลุพึงเห็นเองอันนี้หมายถึงโลกุตระธรรมนะไม่ประกอบด้วยการนี้หมายถึงอริยมรรคเอฮิปัสิโกควรเรียกให้มาดูก็หมายถึงอริยมรรคโอปะณียโกเนี่ยนะควรน้อมเข้ามาในตนท่านโลกุตระก็ควรน้อมให้เกิดในจิตทนนิพพานก็ควรน้อมจิตเข้าไปหา อันวินยูชนคืออุคติตัญญูวิมปัญจิตันยูในยะบุคคลพึงรู้เฉพาะตนในธรรมะที่เราเห็นแล้วนผู้ที่เป็นภาตยะก็สามารถเห็นตามพระองค์ได้เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าธรรมะที่เราเห็นแล้วคําว่าโดยประจักษ์แก่ตนธรรมะทั้งหมดที่กล่าวไปเนี่ยพระองค์ประจักษ์ด้วยตนเองความว่าเราจะบอกซึ่งธรรมะอันประจักษ์แก่ตนที่เรารู้เฉพาะด้วยตนโดยไม่บอกกล่าวกัะ กันมาดังนี้คือไม่บอกตามที่ได้ยินกันมาไม่ได้บอกตามลำดับสืบสบกันมาไม่ได้บอกโดยอ้างตำราไม่ได้บอกตามที่นึกเดาเอาเองไม่ได้บอกตามที่คาดคะเนเอาเองไม่บอกด้วยการตึกตามอาการแค่ว่าคาดคะเนกะเอาไม่ใช่ไม่บอกด้วยความชอบใจว่าต้องกับลทัทธิของตนเพราะฉะนั้นเราเราจะบอกในธรรมที่เราเห็นคืออริยสัจเป็นต้นเนี่ยที่ประจักษ์แก่ตน คำว่าที่บุคคลรู้แจ้งแล้วพึงเป็นผู้มีสติเที่ยวไปก็คือกระทำให้รู้แจ้งเทียบเคียงพิจรารณาเจริญทำให้แจ่มแจ้งสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ทำทั้งปวงเป็นอนัตตาปฏิจจส ม, มุปบาทอนุโลมปฏิโลมรู้อริยสัจละกิเลสรู้เหตุเกิดความดับอาศทะอาทีนวะนิสระาของอุปาทานขันห้าเป็นต้นนั้นแลเรียกว่าเป็นผู้รู้แจ้ง ทีนี้ผู้รู้แจ้งอริยสัจโดยสรุปดังที่กล่าวไปเนี่ยก็จะเป็นผู้มีสติเที่ยวไปคือมีมีสติเจริญสติประธานเป็นเครื่องพิจรารณาเห็นกายในกา ย, เ, ยนะเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมเป็นต้นน่ะเรียกว่าเป็นผู้มีสติก็คือมีสติประฐานสี่นั่นเองคำว่าเที่ยวไปก็คือเที่ยวไปทั่วผลัดเปลี่ยนอิริยาบทประพฤติรักษาบำรุงเยียวยา คำว่าพึงข้ามตันหาอันซ่านไปในอารมณ์ต่างๆในโลกตันหาราคาสราค้อภิชาโลพอกุศลมูลเรียกว่าตันหาที่ซ่านไปในอารมณ์ต่างๆในโลกก็คือในอบายโลกมนุษยโลกเทวโลกในขันธาตุยตนะโล ก, โลกนั้นคำว่าพึงข้ามตันหาอันซ่านไปในอารมณ์ต่างๆในโลกอ่ะความว่าพึงเป็นผู้มีสติข้ามข้ามขึ้นข้ามพ้นก้าวล่วงเป็นไปล่วงซึ่งตันหาอัน ไปในอารมณ์ต่างๆในโลกนั้นสรุปคําที่พระองค์สอนโทตกะว่าเราจะบอกความสงบคือสงบอกุศลเนี่ยนะในธรรมที่เราเห็นแล้วคืออริยสัจที่ประจักษ์แก่พระองค์แก่ท่านคือหมายความว่าธรรมะที่พระองค์เนี่ยเห็นแล้วสงบกิเลสใช่ไหมสงบกิเลสเนี่ยที่พระองค์ประจักษ์ด้วยพระองค์เองนั้นพระองค์ก็จะบอกแก่ท่านโทตกะที่บุคคลได้ทราบคือทราบอริยสัจอย่างนี้แล้วเป็นผู้มีสติปัญสีเนี่ยเที่ยวไป พึงข้ามตัญหาอันซ้านไปในอารมณ์ต่างๆได้ในโลกโทตกะปริภาชกโทตกะพราหม์ก็กล่าวว่าข้าแต่พระองค์ผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ข้าพระองค์เนี่ยชอบใจพระดารัสของพระองค์และสันติอันสูงสุดที่บุคคลทราบแล้วเป็นผู้มีสติเที่ยวไปพึงข้ามตัญหาอันซ้านไปในอารมณ์ต่างๆในโลกแชอบใจคำสอนมาก ชอบใจสิ่งที่พระองค์สอนแล้วก็ชอบใจภาในพระนิพพานที่บุคคลารู้ชอบใจในนิพพานที่ถ้ารู้นิพพานก็หมายถึงรู้อริยสัจทารู้อริยสัจก็มีสติเที่ยวไปถ้ามีสติอย่างนั้นก็ข้ามตัณหาได้ทุกอารมณ์เนี่ยนะคำว่าอภินันธามิความว่าข้าพระองค์ย่อมยินดีชอบใจเบิกบานอนุมโมทนาพอใจปรารถนารักใคร่ติดใจพระนจึงชื่อว่าข้าพระองค์ได้ย่อมชอบใจพระดํารัสของพระองค์ คำว่าพระองค์ผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ก็คือแสวงหาศีลสมาธิปัญญาวิมุตติยานัทสนะขันที่ใหญ่เป็นต้นนั่นแหละคำว่าสันติสันติเนี่ยนะเป็นชื่อของอมตะนิพานความสงบสังขารทั้งปวงความสละคืนอุปธิทั้งปวงความสิ้นตันหาความสำรอกตันหาความดับตันหาความออกจากตันหาเป็นเครื่องร้อยรัดเรียกว่าสันตินี่ยนะความสดสันติที่สูงสุด สูงสุดคือยังไงคือเลิศประเสริฐวิเศษประธานสูงสุดอย่างยิ่งเนี่ยนะเรียกว่าสันติมุตตะมังเนี่ยนะนิพานที่สูงสุดประเสริฐเนี่ยที่บุคคลรู้แจ้งแล้วพึงเป็นผู้มีสติเที่ยวไปก็คือรู้แจ้งอริยสัจเนี่ยนะรู้แจ้งอริยสัจก็จะแทงตลอดนิพานหรือสันติที่สูงสุดอย่างนั้นก็มีสติประทานสี่เที่ยวไป มันผู้ที่มีสติประธานสี่เที่ยวไปอย่างนี้ก็จะข้ามตันหาอันซ่านไปในอารมณ์ต่างๆได้ในโลกไม่ว่าจะเป็นอบายโลกมนษุษยโลกเทวโลกขันธาตุยตนะโลกเนี่ยนะคำว่าพึงข้ามตันหาอันซ่านไปในอารมณ์ต่างๆในโลกความว่าพึงเป็นผู้มีสติคือข้ามข้ามขึ้นข้ามพ้นก้าวล่วงเป็นไปล่วงซึ่งตันหาอันซ่านไปในอารมณ์ต่างๆในโลกนั้นสรุปว่าข้าม ข้าแต่พระองค์ผู้สแสวงหาพระคุณอันยิ่งใหญ่ข้าพระองค์ชอบใจพระดำรัสของพระองค์นั้นนะ่ะและสันติคือนิพพานอันสูงสุดที่บุคคลทราบอริยศัสตร์แล้วเนี่ยเป็นผู้มีสติเที่ยวไปพึงข้ามตันหาอันซ้านไปในอารมณ์ต่างๆในโลกได้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสตอบว่าดูก่อนโทตะกะ ท่านย่อมรู้ธรรมะอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเป็นธรรมะชั้นสูงชั้นต่ำชั้นกลางส่วนกว้างเรียกทุกอารมณ์ว่างั้ น, นท่านรู้ธรรมะนี้ว่าเป็นเครื่องข้องอยู่ในโลกอย่าได้ทาตัณหาเพื่อพบน้อยและพบใหญ่คาว่ารู้ธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยนะธรรมอย่างใดก็คือรู้าอารมณ์ทั้งหมดในวั ต, ตะในภูมิสามเนี่ยนะคว่าย่อมรู้รู้แจ้งรู้เฉพาะแทงตลอดธรรมะอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ย ถามว่าอย่างได้ย่างหนึ่งคือชั้นสูงชั้นต่ําชั้นกลางเนี่ยนะสูงต่ํากลางเนี่ยคืออะไรอนาคตเรียกว่าชั้นสูงอดีตเรียกว่าชั้นต่ำปัจจุบันเรียกว่าชั้นกลางสุขเวทนาเรียกว่าชั้นสูงทุกขเวทนาเรียกว่าชั้นต่ําอุเบกขาเวทนาเรียกว่าชั้นกลางกุศลเรียกว่าชั้นสูงอกุศลเรียกว่าชั้นต่ําอัพยากตะเรียกว่าชั้นกลางเทวโลกเรียกว่าชั้นสูงอบายโลกเรียกว่าชั้นต่ํามนุสโลกเรียกว่าชั้นกลาง รูปประทาาเรียกว่าชั้นสูงกามมาปปท่าเรียกว่าชั้นต่ำส่วนรูปประทาาเรียกว่าชั้นกลางตรัดส่วนเบื้องบนตลอดพื้นเท้าเนี่ยนะคะือตั้งแต่พื้นเท้าขึ้นมาเรียกว่าชั้นสูงตรัดส่วนเบื้องต่าตั้งแต่ปลายผมลงไปเรียกว่าชั้นต่ำตรัสท่ามกลางตัวนี้เรียกว่าชั้นกลางมันคำว่าสูงต่า กลางเนี่ยหมายถึงโดยการสามโดยเวทนาสาโดยกุศลเป็นต้นโดยเทวโลกโดยธาตุโดยร่างกายเนี่ยนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่กล่าวไปทั้งหมดเนี่ยนะเมื่อท่านรู้อย่างนั้นน่ะรู้อย่างนั้นว่าเป็นเครื่องข้องในโลกความว่าคือรู้คือทราบเทียบเคียงพิจรารณาทําให้แจ้งทําให้ปรากฏว่าธรรมนี้เป็นเครื่องข้องไอ้ทั้งหมดที่กล่าวไปนะมันตัวที่ทําให้ข้องมันข้องในอยู่ในสิ่งเหล่านี้แหละ ว่าเป็นเครื่องคล่องเป็นธรรมชาติเครื่องขัดข้องเป็นเครื่องผูกพันเป็นเครื่องตังวลในโลกอนนะจริงจริงๆนะพูดง่ายๆว่าทุกอย่างที่เรารู้คือเครื่องคล่องเครื่องที่ทำให้เราติดเป็นเครื่องที่ทำให้เราคล่องอยู่นั่นแหละคำว่าอย่าได้ทาตัณหาเพื่อพบน้อยพบใหญ่ก็คืออย่าทำรูปปตัตนหาสัตธัตันหาคันทตันหาระสตันหาโพธภาพตันหาธรรมะตันห า, า, ห า, า, หาก็คืออย่าทาตัณหาทั้งหกอารมณ์ เพื่อพบน้อยพบใหญ่เลยปกติก็อย่างว่านะทำรูปปัญหาตัญหาในรูปก็เพื่อสร้างอะไรสร้างตาใช่ไหมตัญหาชอบกลิ่นออชอบเสียงก็สร้างหูชอบกลิ่นสร้างจมูกชอบรสสร้างลิ้นชอบโตะพตาภะสร้างกายชอบธรรมารมณ์ทั้งหลายก็สร้างใจนี่นะเพราะฉะนั้นอย่าทำตัญหาอย่างนี้เพื่อพบน้อยพบใหญ่เลยคำนะว่าท่านอย่าทาคืออย่าให้ตัหาเกิดอย่าให้ตัหาเกิดพร้อม อย่าให้บังเกิดจะให้บังเกิดเฉพาะจงละบรรเทาทําให้สิ้นสุดให้ถึงความไม่มีซึ่งตันหาเพื่อพบน้อยและพบใหญ่ไม่ว่าจะเป็นกรรมวัดหรือวิปากวตดในการมาพบรูปประพบอรูปประพบเพราะฉะนั้นท่านอย่าทําตันหาเพื่อพบบ่อยๆเพื่อคติบ่อยๆอุบัติบ่อยๆปฏิสนธิบ่อยๆเพื่อความเกิดในอัตภาพบ่อยๆเพรผละะสรุปว่าท่านอย่าได้ทําตันหาเพื่อพบน้อยพบใหญ่นี่นะ สรุปว่าท่านรู้ธรรมะอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นธรรมชั้นสูงท่านต่ำชั้นกลางส่วนกว้างท่านรู้ธรรมะนี้ว่าเป็นเครื่องข้องในโลกก็คืออารมณ์ทั้งหลายที่เรารับรู้ทั้งหมดน่ะนะไม่ว่าจะเป็นอดีตอนาคตปัจจุบันเวทนาสานะหรือว่าการมาโลกรูปโล ก, โลกหรือร่างกายทั้งหมดพวกนี้เป็นเครื่องข้องในโลกเป็นที่ติดเป็นที่ข้องเพราะผลถ้ารู้อย่างนี้แล้วก็อย่าทําตัณหาในสิ่งเหล่านั้นอะ่ะเพื่อพบน้อยพบใหญ่อีกต่อไปเลยเยน่นะ อันพอฟังจบโทธทกะมานบกบรรลุเป็นผ้าอรหันห น, นะเทวดาและมนุษย์กบรรลุเป็นผ้าอรหันเอ่อบรรลุเป็นผ้าอายะอย่างมากเหมือนกับ ป, ปัญหาก่อนก่อ น, นั่นแหละ